บุกทูสี่สิบห้าที่โรงหนังเราอยากไปดูหนังวันนี้มีหนังดีฉาย หนังเรื <Ly ili> ่องนี้เข้าใหม่ฟิล์มที่ลกโอมน์นช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหนคะเดียร์ยังมีที่นั่งว่างอีกไหมคะชีเยสชีวิลนี่มิสบัตรผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะ กี่เคค่าใ т ้จ่าย к ิวต์หนังเริ่มกี่โมงคะค о ณ и ะเริ่มเซสชั с นกี่หนังฉายกี่ชั่วโมงคะ в г о триває фільм จองตั๋วล่วงหน้าได้ไหมคะ н า зарезервувати квиток ดิฉันต้องการนั่งข้างหลังดิฉันต้องการนั่งข้างหน้าดิฉันต้องการนั่งตรงกลางห <unemployed> นังน่าตื่นเต้น ฟิลมบุก з а х о п л ю ю ч и м หนังไม่น่าเบื่อฟิลมเนบุกนุดหนแต่ในหนังสือดีกว่าหนังนะ але а л เลคนห์กาคราชช่ซาฟิลมดนตรีเป็นอย่างไรยาคาบุลามูสิกะนักแสดงเป็นอย่างไร